เรื่องสมมุติสีมาใหญ่เกินขนาดข้อหนึสมัยนั้นพวกภิกษุชวพัคีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมุติสีมาแล้วจึงสมมุติสีมาใหญ่เกินสี่ยอดบ้างห้ายยอดบ้างหโยอดบ้างภิกษุทั้งหลายมาทำอุโบสถมาถึงเมื่อกำลังยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงก็มีมาถึงเมื่อยกขึ้นแสดงจบแล้วก็มีรอนแรมอยู่ระหว่างทางก็มี ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงสมมุติสีมาใหญ่เกิน4ี่ยอดบ้าง5โายอดบ้าง6โยอดบ้างรูปใดสมมุติต้องอาบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติสีมาประมาณ3โมยอดเป็นอย่างยิ่ง